พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งร้สิบสี่ลำดับที่สิบสี่โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบหกรกฎาคม2560ห้ากมีชื่อเรื่องว่าบอกใจอย่าให้หลงกายวันในหลวงพ่อ จะไม่พูดมาเอาจะเอมเอา MP3 มพสพูดนะวันนี้นะทดลองดูสิว่าที่ m อ3มพสามของหลวงพ่อเนะี่ยต่อไปภายภาคหน้าเนะี่ยจะแทนหลวงพ่อพูดได้ไหมเราก็จะได้ยินไม่ใช่ว่าเราจะได้ยินแต่ ส, สดเครื่องกระป๋องมาเปิดลยสิจะรถดีไหม แต่หลวงพ่อมั่นใจนะที่หลวงพ่อพูดไปแล้วนะ่ะถ้าเรานํานำมาฟังนำมาทบทวนอีกคิดว่าจะเกิดประโยชน์สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่วันนี้ก็หลวงพ่อเห็นศรัทธา ญ, ญาติโยมเราเออทุกสุกอบอุน่นแต่ถึงยังไงให้พวกเรารักษาแชมไว้นะอย่าให้ขาดตุกบกห้อง ผู้หญิงแปดสิบหกผู้ชายสี่สิบเ็ดรวมไปแล้วหนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดคนนั่งอยู่ที่สลาของเราไม่แพ้วันอธิษฐานพรรษามองดูแล้วพระเ้าก็ให้พวกเราทุกๆท่านนะในพรรษานี่ึะยังไงก็ให้รักษาศีลตลอดรอดฟัง มันก็มีความถ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแค่อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอุปสรรคถ้าว่าเราจิตใจของเราอ่อนแอปวกเปียกทุกอย่างเป็นอุปสรรคทั้งหมดถ้าว่าพกเรามุ่งมั่นมุ่งหวังคุณงามความดีเพื่อสร้างบุญกุศลเข้าสู่จิตใจ อย่างอื่นพอเราเคยทำมาแล้วเคยสร้างมาแล้วเคยทำมาแล้วแล้วมาถึงจุดนี้แล้วเราจะไปยังไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจมันก็ไม่น่าจะถูกเีกเหมือนกันนะถ้าเราทบาา ท, บทวนดูให้ดีเพราะเราสิ่งอื่นที่เราจะมุ่งหวัง เล่เราจะพึ่งพาอาศัยมันไม่มีนอกจากการประกอบคุณงามความดีมีแต่ประกอบสร้างคุสร้างกุศลเข้าจู่จิตใจทำให้จิตใจเป็นสมมาทิฏฐิเท่านั้นแ่ะที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเรานอกนั้นไปมันไม่มีที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้จะพึ่งอะไรก็เท่านั้นจะพึ่ง เงินคำทรัพย์สมบัติกับพึ่งใดทางร่างกายท่านเองแต่จิตใจของเราเน่มันต้องพึ่งธรรมะวันนี้เป็นวันที่ส6บหกรกฎาคมพุทธศักราช2560เป็นวันอาทิตย์แล้วก็เป็นวันพระแรมแปดค่ำเข้พาพรรษาเดือน 8เพนแต่วันนี้ก็เป็นวันแรมแคดขาไป่าเข้อพรรษามาได้แปดวันเพราะในพวกเราใส่ใจสนใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวการมาสู่วัดมันก็เป็นการเร่งภาวนาส่วนหนึ่งเหมือนกันนะถ้าเรานั่งอยู่ตามลำพัง เราก็ไม่นั่งไม่ได้นั่งนาได้นานแต่พอมาเรานั่งในหมู่ในคณะเราก็มั่นใจมั่นใจในคณะที่เรานั่งเรานั่งภาวนาในรวมกลุ่มกันแต่ถ้าว่าดีไหมแต่แตในหลักของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ศึกษามาท่านกลวว่ามันเป็นสัญญาอารมณ์ในการนั่งรวมกลุ่มกัน สู้นั่งตามลำพังไม่ได้ที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, กจิตใจนะ่นต้องนั่งตามลำพังแต่ถ้าเรานั่งอย่างนี้ใครเขาว่านั่งรวมกลุ่มนั่งรวมกลุ่มใครเขาว่า้าเรานั่งตามลำพังไม่รู้จะนั่งยังไงแต่ถ้าเมื่อนั่งเรานั่งรวมกลุ่มอย่างนี้เราก็จะได้เห็นหมู่เห็นเพื่อนเห็นครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนาบอกกล่าว เราก็จะได้นั่งภาวนาได้นานเท่าที่จะนานได้รัขอให้พวกเราทั้งนั่งรวมกลุ่มด้วยทั้งนั่งตามลําพังด้วยนั่นแหละดีที่สุดนะนั่งตามลําพังเขาในเมื่อนั่งเสร็จแล้วเราเขากลับไปที่กุติของเราเราขนนั่งภาวนาของเราไม่ให้เผลอไผลไปอย่างอื่น ใจิตใจของเราให้แน่งให้อยู่ในความสงบนั่นแหละอเป็นแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ถ้าเรารวมกลุ่มเราก็นั่งนั่งรวมกลุ่มกันถ้าว่าเราฝึกหัดใหไปก็อย่างนี้แหละนั่งรวมกลุ่มกันนี่แหละดีถ้าว่า เท่าชำนิชํานาญแล้วการนั่งรวมกลุ่มก็ทำให้ลาคาญําคาญเหมือนกันนะถ้าตาว่าเราใหม่ๆนี่ก็การนั่งภาวนารวมกลุ่มกันมันก็ดีเพราะก่อนพอเราจะได้ฝึกหัดบางทีเผลอๆเอาดัดตัวเองบ้างบางทีจะนั่งตามหลวงพางหน่อยเดียวแต่พอนั่งรวมกลุ่มนี่ก็ กุาอาจารย์นั่งอย่างน้อยก็ยีิบสามสิบนาทีชั่วโมงหนึ่ง mm hmm. แต่บางแห่งท่านนั่งเป็นหลายชั่วโมงนะแต่หลวงพ่อเพียงจะนั่งให้เป็นแนวแถวปฏิบัติไม่ได้นัง่งเอาจริงเอาจังแต่ตาไม่จริงได้ไหมก็ได้ถ้าว่านั่งที่ไหนก็ได้สําเร็จมักสําเร็จผลทั้งนั้นแหละถ้าเราเอาจริงเอาจังไม่ต้องทรงจิตไปทางอื่น ให้อยู่กับพุโทโธตลอดเลยไม่ต้องเพ่งไปทางอื่นไม่ต้องมองไปทางอื่นให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโใจให้มันเน่งให้มันสงบนั่นแหละจากนั้นก็นามาพิจารณาผู้ที่เคยภาวนาพิจารณาทางวิปัชนาแล้วนำมาพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายมาดูร่างกายของเรามีอะไรบ้าง มีดามีธาตุสีดินน้ำลมไฟหรือมีเอ้ยมีอวัยวะดูซิเราแยกส่วนแบ่งส่วนดูซิอ่าแล้วกดดูแล้วเอาให้ดูกระดูกซิเฮ้กระดูกโครงกระดูกในร่างกายของเราเนี่ยแยกส่วนดูตั้งแต่สีจะจนถึงฝ่าเท้าแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงสีจะแล้วกด ดูตั้งแต่ชี้โครงลงไปหาฝ่าเท้าแล้วก็ดูจากชี้โค้งขึ้นไปหาบนศีษะนแล้วก็ดูทั้งสองข้างกลับมาที่รูปร่างกลางตัวเป็นยังไงกระดูกของเราก่อนที่จะเห็นกระดูกของเราเราต้องไปเห็นกระดูกที่อื่นซก่อนนะต้องเห็นรูปซะก่อนเออพราะเราถ้าไ ม, ไม่มีรูปซะก่อนเราจินตนาการไม่ออก เ, ออเราเห็นรูปที่อื่นแล้วเราจะจินตนาการ มองกระดูกโครงโครงกระดูกแล้วโครงร่างของตนเองให้เห็นตามความเป็นจริงเพราะร่างกายของคนเราเนี่ยมันเป็นโครงกระดูกจริงๆไม่ว่าท่านว่าเราแต่มันเมื่อเราไม่มองก็ไม่เห็นแต่เราก็ติดในร่างกายของเราก็จะอยู่โชวฟ้าดินสลายตายไม่เป็น ไม่มีการบุบจะลายแต่ตามไม่จริงไม่ใช่อีกสักวันหนึ่งมันจะต้องไปตามสภาพของมันให้เรานึกขึ้นเมื่อเมื่อไรเราอยู่นัดสถานที่ใดแล้วต้องคิดไว้เสมอนะร่างกายในแตกแน่ๆ น, นะใจนะแหมทำความเข้าใจในใจของตนเองเราอยู่นัดสถานที่ใดก็เราคอมองดูตัวเองใจนะใจอย่าไปลุ่มหลงมั ว, มวเมาจเกินไปนะใจนะอีกสักวันหนึ่งนะ มันจะต้องแตกสูดดินน้ำลงไปอย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเนั่นแหละเราไม่ไม่มีใครไม่มีใครที่ที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้แต่ตัวของเราเนี่ยเป็นใครเราก็คงไปเดินไปตามแนวแถวนั่นแหละอย่าลุ่มหลงเหมือนมัวเมาเกินไปนะใจนะนี่แหละใจต้องเตือนใจ ตัวเองต้องเตือนตัวเองเลยต้องมองตนเองถ้าพวกเราไม่เตือนตนเองละใครจะมาเตือนถ้าเพอเพอกูบายจานเตือนก็นใช่ยอมรับกันได้แต่สาหรับหมูพวกเพื่อนเตือนบางบางครั้งก่อนนะจะโมโหให้เขาอีกต่างหากนะเพราะฉะนั้นให้พวกเราเตือนตนเองนะดีที่สุดนะอ ให้ประกอบคุณงามความดีจากนั้นก็ให้อย่าไปตั้งอย่าไปชราใจจนเกินไปให้ประกอบคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจถ้าคนมีบุญมีกุศลแล้วนะไปอยู่นักสถาสถานที่ใดดีทั้งหมดนะถ้าคนไม่มีบุญไปอยู่ที่ไหนก็ลำบากนะเกิดมาพบนายชาิหน้าก็ทุกยากลำบากยากจนเพราะไรเพราะเราไม่มีบุญพาไปเกิด เราไม่ไม่มีบุญนําไปเกิดเพราะนั้นที่พวกเราได้เกิดมาพบในชาตินี้แหะได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่พวกเราได้ฟังได้อบรมได้ศึกษานี่แหละจากนั้นพวกเราก็นํามาประพฤติปฏิบัติก็ไม่เห็นจะเสียหายที่ตรงไหนมีแต่ความสุข ก, กายสุขใจของเรามีแต่ความสุขในใจของเรานั่นละ่ะถ้าเราประพฤติปฏิบัติได้ ถ้าเราขาดห่าเหินจากธรรมะมีแต่จิตใจของเราเร่าร้อนนะจิตใจของเราเร่าร้อนจิตใจขุ่นมัวจิตไปจิตใจหาที่ยึดหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้จิตใจว้าเวอ้างว้างเงียบเผาซึมเศร้านะไปลักษณะอย่า ง, งานั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราภาวนาเนี่ยแหละอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนั่นนะอยู่ในบ้านก็ภาวนาอย่าได้ขาด วันหนึ่งยี่สิบสามสิบนาทีได้ไหมครึ่งชั่วโมงได้ไหมนี่แหละคือตอนก่อนหลับก่อนนอนแล้วว่าตื่นนอนตล้ววที่ยงคืนที่ไหนๆก็พอมีเวลาแล้วก็ลุกขึ้นมาถ้านอนไปหลับจะไปฝืนจะไปบงังคับไปมันนอนเออมึงมึงไม่นอนเหรอไม่นอนก็ไม่เป็นไรนอนมาจนพอแรงแล้วละนอนพบในพบในชาติมานอนมนุษกี่เท่าไรแล่ะ กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติล่ะมึงจะเป็นนอนอะไรมากมายนักหาถ้ามึงนอนไปแล้วก็ไม่เป็นไรกูจะพานั่งภาวนาอต้องเป็นอย่างนั้นจากนั้นก็ไปหาที่มุมสงบแล้วไม่มียุงแล้ว น, นั่งภาวนาแล้วกันเนี่ยพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะี่ให้มันเป็นบุญเป็นกุศลจากนั้นจิตใจของเราเนะ่ะ ภาวนาหลายครั้งต่อหลายหนข้าวเนี่ยมันนั่งมันเป็นอย่างนี้ข้าวหน้ามันนั่งไปอย่างนั้นนั่งหลายครั้งต่อหลายโห่เราก็รู้ได้แลย้ยเออเ อ, อมันวิธีการที่มันไม่สงบเพราะอะไรที่มันสงบเพราะอะไรนี่ยอจากนั้นเราก็จิตใจของเราก็จะได้รับความสงบเน่งมีความสุขใจเลยแต่นะพอใจสงบเบื้องต้นท่านเป็นพื้นฐานต่อไปขยันเลยแต่นะออพอเห็นผลแห่งความสงบนะ่ะ เพราะมันมีความสุขไม่ไม่วนวายแลยนะจากนั้นเรากา็ภาวนาเป็นพื้นฐานแล้วกันศึกษาไปต่อไปอีกที่ท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนยังไงสอนหนึ่งวิปัสนาะเราก็ติดตามนะะในเมื่อสอนทางวิปัสนาจากท่านขนาดมันเป็นที่พึ่งของด้านจิตใจนะั้นคณะสัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะเวลาเจ็บใครได้ป่วยอะไรเกิดขึ้น แล้วพึ่งพาอาศัยใครเลยมันจะวิ่งปดเข้ามาหาตัวที่เราเคยภาวนาเราเคยปฏิบัติเนี่ยนะเราจะมันจะวิ่งเข้ามาหาจุดนี้ทันทีเลยมันจะมาหาที่พึ่งทางด้านจิตใจทันทีเลยถ้าเราไม่ได้ภาวนามันไม่มีที่พึ่งนะอไม่รู้จะพึ่งอะไรผลที่สุดมันจะร้องโอดร้องโอยไม่ติดร้องควนร้องรังร้อ ง, องคลางไว้เลยคางก็แท่นั้นโอดโวยก็แท่นั้นมันได้อะไร เกิดมาตายพ่อแม่ก็ตายปู่ย่าตายยายก็ตายตา ย, ตายมาเป็นลําดับฮเราจะมีอะไรถ้าเราไม่มีคุณธรรมไม่เคยฝึกหัดมาก่อนเราไม่เคยฝึกมาถึงจุดนั้นเลยจุะพึ่งมาฝึกเอาเร็วๆขณะนั้นเลยมันไม่ได้เลยเสียหลักเลยละ่ะเพราะเราต้องะเห็นว่าเราต้องฝึกไว้แต่เนินเน่นๆเออ ถึงเมื่อเราสุขสบายนี่ยแหละภาวนาไปเลยฝึกไปเลยฝึกหัดตายคิดว่าตัวเองตายเป็นยังไงต้องดูก่อนที่จะตายเราคิดยังไงเราจะบังคับใจยังไงเราจะนึกยังไงแต่ให้นึกพุโทโธนั่นแหลนะนะเวลาก่อนจะตายเราจะไป น, นึกอย่างอื่นอาศัยวิ่งเข้ามาหาจิตจิตเข้ามาสู่จิตเลยม่นต้องคิดถึงร่างกาย ถึงร่างกายมันพึ่งไม่ได้แล้วร่างกายนี่เขาจะเอาต้องเอาไปเผาฝไยทิ้งแน่นอนในใจนะนั่นแหละมันต้องวิ่งเข้าไปหาตัวผู้รู้คือใจดูใจของตนเองเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นในใจเลยปล่อยวางร่างกายเลยไม่ต้องยึดมั่นให้ดูใจใจตัวนี้ก่อนนะใจตัวนี้ก็ใจอันนี้จังทุกขังอนาตตาดูใจอถ้าปล่อยได้ปล่อยวางกระทั่งใจอีเอะไม่ยึดมั่นถือมั่นกระทั่งใจ ใจตังนี้กัตัวนึกคิดตัวไหนเป็นตัวไหนไม่เที่ยงตัวนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่นนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตากะทั่งใจอันนี้ธรรมะของพระพุทธเจา้าถึงขนาดนั้นนะสัทธา ย, ยาโจมนะไม่ต้องพูดถึงถึงเรื่องร่างกายแนละ้วเรื่องร่างกายไม่ต้องพูดถึงอ น, นิจางของร่างกายขนาดจิตใจตนรู้สึกนึกคิดตัว น, นั้นก็ยังเป็นอนัตตายังไม่ใช่ตัวตนของเรา บางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็นึกสุขขึ้นมาบางทีนึกความทุกข์กเข้ามาทับถมร้องโ hom ร้องไห้กับเพราะใจตอนมันมนึกคิดนั่นนหะเพราะฉะนั้นเราต้องมองใจตัวเองอีกนะมองใจตัวเองไม่ดีใจไม่เสียใจอีกอดีใจเพราะอะไรเสียใจเพราะอะไรเห็นให้เป็นไตรลักษณ์อนิจจทุกขังอนัตตาในจิตในใจนั่นถ้ารู้เท่ารู้ทันถึงขนาดนั้นแลน้วะ แะเป็นว่าแปลว่าผู้เห็นทรรมผู้รู้ทร ร, รู้ทรรมเห็นทรรมผู้ปล่อยวางผู้ไปยึดมั่นถือมั่นกิเลสทั้งหลายเข้ามาสู่จิตใจดวงนั้นไม่ได้เพราะรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนะต่อ น, นี้ไปนั่งกัดจมาธิในที น, น, นี้นะเอาเปิด MP3 ส